ข้าวบูชาพระรัตนตรัยกาบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก้ากราบครวะพระอาจารย์พัฒนาชัยอาจารย์ฉัตรชัยพันเตเพื่อนสาธุนิเจริยพรยังวิชีอุบาสิกุบาสิกาผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่าน ก็นั่งกันตามปกติเนะก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีทั้งพระแล้วก็ญาติโยมนมาร่วมกันปฏิบัติธรรมะส่วนหนึ่งก็มาร่่มโครงการเก็บอารมณ์40วันนะซึ่งก็เป็นงานของสายงานหลวงพ่อเทียน นะที่ทำมาเป็นประจำนะโดยหลวงพ่อคำเขียนนั่นก็รับงานนี้มาจากาสายงานนะซึ่งปีนี้เราก็ยังทำกันตามปกตินะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่มาปฏิบัติธรรมประจำเดือนนะเดือนพฤษภาคมนะก็มาอยู่7วันนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่มาร่วมกัน นะใช้ประโยชน์นะจากวัดป่าสุขโ ต, โตนะที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันสติปัฏฐานหรือนะถ้าเราจะเรียกกันเรื่องง่ายๆว่าโรงเรียนจเจริญสตนะิก็ได้เหมือนกันนะให้ถือว่าเป็นโรงเรียนในการที่จะมาเรียนรู้ในะเรื่องของการจเจริญสติคำกันนี้หลายคนโดยเฉพาะคนใหม่ อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะนะส่วนใหญ่เราจะคุ้นหูกับคําว่าสมาธิทำสมาธิภาวนาทำกรรมฐานนะาฏกรรมวเจริญสตินี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนะและยิ่งมาเห็นสถานที่กระเดยมาเห็นคนที่อยู่เก่าๆนะปฏิบัติ บมอกมบม็อกมูก็ยังแปลกไปอีกนะว่าเอ๊ะฝึกสมาธิเราเคยแต่เห็นมัน น, นหลับตานะใช้คำบริกนนารนะต่างๆนานาซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะสร้างความแปลกใจะให้กับคนที่ยังยังไม่คุเคยไม่ว่าอาจจะมาเป็นครั้งแรกแต่คนที่เคยมาหลายครั้งแล้วก็ควรจะเข้าใจ ว่าการเจริญสติของวัตป่าสุกโตเนี่ยนะก็เป็นวิธีการที่เราทำตามแบบอย่างนะที่หลวงพ่อเทียนจิตสุโพท่านได้นำเสนอหรือสอนไว้เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะตลอดช่วงชีวิตของท่านท่า น, นก็พูดแต่เรื่องนีเงเง้เรื่องเดียวนะพูดเรื่องความรู้สึกตัวพูดเรื่องการเจริญสติเทนะ่าที่อาตมาได้มีโอกาสไป เรียนรู ก, กับท่านมานเมื่อประมาณตั้งแต่ปี2523แล้วก็ 30-40 ปีที่แล้วก็ได้ยินแต่ท่านพูดแต่เรื่องความรู้สึกตัวการเจริญสตินี่แหละไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะซึ่งตรนนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนนะก็อาจจะแปลกประหลาดใจว่าทำไมนะหลวงพ่อเทียนไม่พูดเรื่องอื่นเลยนะอย่าง อาคูบาจารย์หลายท่า น, นาก็ยังพูดเรื่องไตรสิกขาบ้างเรื่องศีลสมาธิปัญญาบ้างนะเรื่องธรรมะ ต, ต่างๆมากมายแต่หลวงพ่อเทียนท่านจะพูดแต่เรื่องความรู้สึกตัวเรื่องการเจริญสติซึ่งตรงนี้นะก็เป็นจุดที่ เ, เป็นสิ่งที่ท่านั้นในการที่เราจะมา กรรมฐานมาด้วยการเจริญสติเ น, นี่ยท่านก็จะเน้นว่าให้เรามารู้สึกตัวมาที่กายที่ใจของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นนามธรรมนะมันก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยกลุ่มวิธีนะก็คือการเคลื่อนไหวของกายนะก็มีการ ยกมือสร้างจังหวะ14จังหว ะ, ะมีการเดินจงกลม่ตรง น, นี้เป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาเพื่อที่จะ เ, เรียกความรู้สึกตัวเนี่ยกลับมาอยู่กับนือกับตัวเพราะใ น, นชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบั น, นที่ทำการงานก็ดีที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนก็ดีส่วนใหญ่ใจิตใจเราเนี่ยมันจะไปหลง อยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์อยู่กับสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวมากมาเราไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะรู้ตัวเท่าไหร่แต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่รู้ตัวเลยนะเราก็มีความรู้ตัวอยู่ในระดับหนึ่งในระดับที่เราสามารถจะใช้ในการทางการทา ง, งานในการติดตามในการพูดคุยในการสัมพันธ์กับผู้คน งานหรือนหน้าที่การงานซึ่งเป็นความรู้สึกตัวเป็นสติตามธรรมดาเป็นสติพื้นฐานงานที่มันมีอยู่แล้วนะแต่ความรู้สึกตัวตรงนี้เนี่ยมันไม่เพียงพองานที่เราจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องความคิดเรื่องอารมณ์มาโดยเฉพาะยิ่งยิ่งความคิดเนี่ยาเป็นต้นเหตุสาคัญงานที่ทำให้เราเนี่ย มีความทุกข์ซึ่งตรงนี้หลายคนก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินส่วนใหญ่เราก็จะไปได้ยินว่าความทุกข์เกิดจากกิเลสตั้งหาอุปทานซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันก็เป็นคันที่ก็ไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าบางทีมันฟังแล้วมันก็ไม่ซึ้ง ใ, ในใจแต่ถ้าบอกว่าความคิดเนะี่ยโอ้มันเห็นชัดเจนตัวความคิดเนะี่ยที่เราไม่รู้ทันความคิดเนะี่ย ทำให้เราคิดดีคิดไม่ดีบางทีก็วิตรกรกังวลไปกับเรื่องอานาคตบางทีก็อาลัยอาวร์ไปกับเรื่องในาอาดีตเนีซึ่งก็เป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นหลยและบางทีความคิดมันก็มีไม่ไายคิดจบคิดติดฟุง้งซ่านเนีไม่จบไม่สิ้นนะสิ่งที่ เออมันคิดขึ้นมาน่ยบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะไปนั่ยับยัง้งหรือไปควบคุมมันได้เพราะว่าความรู้สึกตัวที่มีเนี่ยมันไม่พอมันมันไม่มีพลังหรือมันไม่มีกําลังเพียงพอมาที่จะไปจัดระเบียบความคิดบางทีเราทํางานเราอยากจะใช้ความคิดที่ที่ดีบางทีมันก็คิดไม่ออกคิดงานไม่ออ ฉันสิ่งที่เราไม่อยากคิดมันก็คิดกันมาง่านะเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะใช้ความคิดอย่างมีประสิทธิภาพเนะพราะตรงนี้นะเนี่ยความคิดมันมีกำลังมันมีพลังมากตรงนี้นเองนะก็จําเป็นที่เราจะต้องมาเรียนรู้ในะสิ่งที่จะเป็นตัวปรับวิจดระเบียบความคิดนะซึ่งธรรมาชาติก็ให้มาอยู่แล้ว เราก็คือความรู้สึกตัวนี่เองความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะไวไวกว่าความคิดความคิดเราไวแล้วเนี่ยความรู้สึกตัวที่ฝึกแล้วมันจะไวกว่าความคิดอซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้นเมื่อเราฝึกถ้าเราไม่ได้ฝึกเนี่ยมันก็จะยังใช้ได้ไม่เต็มที่มันยังเฉยดรวยว่ามันเฉยมันไม่ว่องไวพอ แต่ความรู้สึกตัวหรือสติเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่มันไวซึ่งเป็นอันดชตัตอันหนึ่งที่มันจะไวแต่เป็นสิ่งที่ไวกว่าความคิดถ้าเราฝึกนะถ้าเราฝึกให้ดีทีนี้การที่เราจะฝึกความรู้สึกตัวหรือจเจริญสติเนี่ยนะจะทำอย่างไรนะตรงนี้เนะนีเ่ยในพระเจบุตรก็ดีก็ได้พูดถึงสติปัฏฐานามาสติปัฏฐานสูตรนะตัวหลวงพ่อเทียนเองท่านไม่ได้เรีน พระตุเปท่านไม่ได้อ่านหนังสือแต่ท่านก็มาแนะนําวิธีการฝึกเอาไว้มาว่าให้มีสติมาไปกับการเคลื่อนไหวให้มีความรู้สึกตัวมาขณะที่เราพริกมือก็รู้สึกยกือก็รู้สึกมาหยุดก็รู้สึกมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวมาเราจะยมกมือเราโดยยกมือโดยอัตโนมัต นะเราเจตนาที่จะรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวซนะึ่งตรงนี้เนะี่ยก็จะทําให้เรามีาความรู้สึกตัวได้ชัดอันนี้นบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราเคยฝึกแบบนั่งหลับตาใช้บริหายใจมันก็น่าจะใช้ได้อันนี้ก็ใช้ได้แต่บลิาหายใจเนี่ยมันเบานะแล้วก็มันมีโอกาสที่จะหลงหมายถึงว่า หลงเล่นได้ง่ายก็คือว่าบางทีนั่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยความรู้สึกตัวที่ลมหายใจมันก็หายไปแในบางทีมันก็หายตัวไปเลยในบางทีก็นิ่งไปเลยในซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันก็ทํำให้บางทีสติที่เราฝึกเนี่ยมันาจจไม่ได้ผลเท่าที่ควรในะสําหรับบางคนนะแต่บางคนก็อาจจะได้ผลดีในะนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ในส่วนของการทําความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยโดยเฉพการเคลื่อนไหวมือเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ อ, อตรงๆแล้วกถ็ถ้าพูดง่ายๆหน้าคือเป็นวิธีการที่ที่หยาบหน่อยมันไม่ละเอียดเกินไปแล้วมันเหมาะกับคนที่เริ่มต้นใหม่นะที่ที่พิ่งเริ่มที่จะฝึกเนี่ย หรือคนที่อาจจะมีปัญหาว่าฝึกโดยวิธีอื่นแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ผลดีนะเช่นใช้ลมหายใจแล้วมันยังไม่เกิดปัญญามันได้แต่สงบนะเราก็ลองมาใช้วิธีเคลื่อนไหวด้วยมือเนี่ยนะความรู้สึกตัวมันจะตื่นได้ง่ายตื่นได้เร็วนะเส้นตรงนี้นะ่ก็เป็นประสบะการณ์ที่ตัวกระผมนิตามาเองนะด้เคยฝึกแต่ก่อนก็ฝึกแบบอานาปนาัญสตินะมีความสงบในระดับหนึ่ง นแต่มันทำไปทำไปมันก็ตันมันตันรนที่มันนิ่งมันสงบปัญญามันไม่เกิดแต่พอเรามาทำพลิกมือเนี่ยความรู้สึกตัวมันตื่นมันมีความต่อเนื่องแล้วมันก็ชัดเจนนะจากการที่เรารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยจากพลิกมือยกมือก็ดีนหรือการเดินจมกลุมกลับไปกลับมาเนี่ยความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยมันจะชัด มันจะชัดกว่าเดินหายใจที่เราเคยฝึกนะแต่บางคนอาจจะลมหายใจชัดก็ได้นะแต่นี้เป็นเป็นเป็นประสบาการณ์ที่ที่พบกับตัวเองนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็พยายามจะเน้นว่าในเบื้องต้นเนี่ยให้รู้สึกตัวที่กายให้ชัดก่อนอย่าพิ่งไปยุ่งกับความคิดความคิดเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะมีบางคนบอกไปดูจิตไปดูความคิด ถ้าความรู้สึกตัวที่กายไม่ชัดนะมันอาจจะเห็นความคิดบ้างแต่มันอาจจะลงไปกับความคิดได้ง่ายพูดง่ายคือเราไม่มีหลักอ่ะไม่มีหลักที่จะยึดเอาไว้แต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยมันจะมีหลักยึดไว้ความคิดมันแวบขึ้นมาเนี่ยเรารู้ถึงมันเรากลับมารู้สึกตัวแต่ถ้าเราไม่รู้สึกตัวที่กายเนี่ยความคิดมันแวบขึ้นมาเนี่ยเราจะคิดเป็นเรื่องเป็นราต่อเนื่องไปเลย เส้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเราเผลอไปแล้วเราเผลอไปกับความคิดแล้วแล้วถ้เผลอไปกับความคิดเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าคิดในเรื่องดีๆหรือจดจำในเรื่องที่ประทับใจมันก็จะรู้สึกมีความสุขแต่ถ้าไปคิดหรืจไปจดจเรื่องที่มันไม่ดีเนเราก็จะรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจขึ้นมาซึ่งตรงนี้น kind of ี่ยมันเป็นมันเป็นกลไกนะของ ของความคิดของจิตเนี่ยที่มันจะทำงานทีนี้ถ้าเราฝึกกับความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยในในขั้นแรกเนี่ยเราพยายามอยู่ที่กายให้มากๆแต่นสาหรับคนเริ่มต้นใหม่เนี่ยความคิดจะไม่สนใจเลยคลิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาแล้วไม่ต้องไปบอกมานะว่าปัดความคิดหยุดความคิดพยายามไม่คิดคำนี้ไม่ต้องใช้เลยนะมันคิดุ๊บไม่สนใจกับมรู้สึกตัว กับมารู้สึกตัวอย่างเดียวบกกลบกลไกมันจะปล่อยวางความคิดไปเองและความคิดมันก็จะหายไปเองมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราทําเพียงอย่างเดียวอย่าไปทำหลายอย่างแต่บางคนบอกจะดูความคิดด้วยจะดูกายด้วยโโหัวมันจะสับสนดูกายอย่างเดียวก่อนให้ชัดๆถ้าดูกายชัดเนี่ยหรือไปความคิดเนี่ยมันก็จะชัดไปเองมาจาก การที่เราดูที่กายเคลื่อนไหวด้วยการเดินจงกรมความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยมันก็จะชัดขึ้นเราจะสังเกตได้ไงว่ามันชัดอย่างน้อยเนี่ยแต่ก่อนเนีนะเราไม่เคยมาดูการเคลื่อนไหวของเราเลยเราไม่เคยมารู้สึกตัวเลยแต่ก่อนเนี่ยเราเดินไปเราก็คิดไปนะนี่เราทําอะไรเราก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้จิตใจประจําวันของเราเนี่ยเราไปกับความคิด มากกว่าที่จะมาอยู่ที่กายแต่พอเรามาจเจริญสติเนี่ยเรายกเราก็จะรู้รสึกกับการพลิกนะเราทำย้ำแล้วย้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกสังเกตมันงเงี้ยดูมันตรงเงี้ยอยู่บ่อยๆนะมันก็จเกิดความรู้สึกตัวที่กายนะครับบานทีแค่กระพริบตานะก็รู้สึกแต่ก่อนเราก็ทิพตาเราไม่รู้สึกหรอกนะือบางทีเรากรีนน้ำลายลงในละําคอเนเราก็ไม่รู้สึก หายใจเราก็ไม่รู้สึกแต่เมื่อเรารู้สึกที่กายหยาบๆชัดนล้เนี่ยหรืวมันจะเห็นกายที่ละเอียดขณะที่มันเกิดขึ้นอยูเ่เป็นตลอดเวลาโดยเฉพาะเรหายใจมาจากกายที่หยาบเนี่ยมันจะเห็นกายที่ละเอียดและในขนาดนั้นเนี่ยขนาที่เราทําเนี่ยมันจะมีความคิดแบบๆเข้ามานะเราก็ไม่ไปสนใจมันเราจะไม่สนใจเลยคิดดีคิดไม่ดีอดีตอนาคตทิ้งไปหมดเลย กับมารู้สึกตัวอย่างเดียวตรงนี้ก็จะทําให้ใจของเราเนะี่ยมีสติอยู่กับกายเราเรียกว่าดูดูกายเคลื่อนไหวเมืนะ่อดูกายเคลื่อนไหวเนะี่ยมันจะเห็นใจนึกคิดนะเส้นขมนิลมะเทียนท่านท่านพูดเอาไว้เหมือนกันดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะตรงนี้จากกายเนี่ยมันจะเชื่อมไปที่ใจนะเส้นใจเนี่ยใจเนี่ยมันมองไม่เห็นหลับ มันเป็นความว่างแต่มันจะมีอาการของใจคือความคิดมันจะมีแสดงออกมานะซึ่งตรงนี้มันก็จะมีหลากหลายความคิดมันมีหลากหลายมากซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องสังเกตแล้วก็ดูแรกๆนะนะมันจะยังไม่ทันหรอกนะบางทีมันคิดเรื่องบ้านมันก็จะต่อเรื่องเป็นเรื่องของคนที่บ้านเรื่องของกิจกรรมที่บ้านงานที่บ้านเมื่อวานแล้ว เมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วมันคิดเป็นเรื่องประลาไปเลยอันนี้มันเผอไ ป, ปแล้วมา แ, แรกแรกนะมันจะไม่ค่อยทันแต่ก็ไม่เป็นไรนะพอเรารู้ตัวเราก็กลับมานะความรู้สึกตัวนะให้มันเกิดขึ้นใหม่อยู่เรื่อยให้มันสดๆนะบางทีเผอแล้วลมแล้วช่างมันไม่ต้องไปโทษตัวเองไม่ต้องไปว่าตัวเองแล้วแล้วไปเริ่มต้นใหม่ให้เป็นความรู้สึกตัวสดๆใหม่ๆอยู่เรื่อยๆ กลับรู้สึกตัวที่กายขึ้นไหวใหม่หมๆอยู่เรื่อยๆแม้แต่คนเก่านะก็ใช้ฐานในี้ได้เพียงแต่ว่าคนเก่าเนี่ยก็จะให้น้าหนักไปกับการดูความคิดให้มากขึ้นนะคนใหม่เนี่ยดูกายให้ชัดให้มากๆน้ำหนักมันจะลงมาตรงนี้มากแต่คนเก่าเนี่ยก็จะไปดูความคิดให้มากเพราะว่าฐานที่กายมันชัดนะทีนี้จากกายเนี่ยนะ มันก็จะเข้าเบนอาการปวดอาการเมื่อเรานั่งนานๆมันปวดมันเมนเนื่อยงานมันร้อนในช่วงมีอากาศร้อนพอพัดลมมาเป่าเราก็ย็นนะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเร า, าซึ่งปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ก่อนเราไม่เคยได้สนใจเหล่านี้เราไปสนใจเรื่องข้างนอกเพราะฉะนั้นเราก็มาสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายของเรา ความปวดความเามเื่อยความร้อนความเย็นนะความสบายความไม่สบายนะแล้วมันก็จะเห็นความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นมานะจากการที่เราสัมผัสกับอากาศร้อนอย่างอากาศร้อนตอนกัางวันเรารู้สึกหดหงีบรู้สึกไม่สบายตัวถ้าเราอยู่ที่กรุงเทพราอยู่ในเมืองเราก็เข้าไปในห้องแอร์มันก็แก้ปัญหาได้ แต่เราอยู่ที่นี่ไม่มีห้องแอร์เป็นธรรมชาติล้วนๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เรียนธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมาแล้วเราจะได้เห็นปฏิกิริยาจากการที่กายเนี่ยไปสัมผัสที่อากาศร้อนและพออากาศมันร้อนเนี่ยใจเราร้อนใจเราหนึดหนึดได้ไหมถ้าใจเราร้อนใจเราหนึดหนึดมันก็หมายถึงว่าเราร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจแต่เมื่อเราฝึกสติแล้วเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าความร้อนเนี่ยมันกระโอนแต่กายนะ จะใจปกติก็ได้ใจเฉยๆก็ได้อย่างซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้จากการฝึกฝึกสติให้รู้ทันรู้ทันอาการของกายที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไปส่งผลถึงใจยังไงถ้าเราไม่รู้เท่าทั น, เ, นเราก็จะจมไปอยู่กับความร้อนตัวเราร้อนเรารู้สึกไม่สบายตัวแต่มันมีตัวเราเข้าไปมันก็จะเกิดเกิดความเอ่อความทุกข์ขึ้นมาอย่างตรงนี้เนี่ย หรือบางทีเราเลมมันพัดมาเย็นๆนะพัดลมเย็นๆสบายโ อ, อ้รู้สึกพอใจมีความสุขเออมันก็เกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะแล้วเราก็จะไปดีใจไปจมอยู่กับความสุขอีกแต่ทุกเราก็ไม่อยากจะให้เกิดไอ้สุขเราอยากจะให้เกิดแต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราเลยนะมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะแปรปลี่ยนไปแล้วมันก็จะไม่อยู่ในอานาจเราซึ่งตรงนี้แหละตารที่เรามาอยู่วัดป่าสุก โ, โตกับธรรมชาติเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ ธรรมะจากธรรมชาติที่แท้จริงเรียกว่าเรียนธรรมจากทุกงานะเรียนธรรมจากทุกขเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมันจะสอนให้เราเนี่ยได้รู้จักความจริงของร่างกายจิตใจของชีวิตนะเพราะฉะนั้นที่เราสวดมนต์ไปสาธยานมนต์ไปตะ ก, กีนี้อริยศาสตร์สี่ข้อแรกคือทุกเพราะนั้นเพื่ที่จะเรียนธรรมเนี่ยต้องเรียนจากทุกเรียนจากสุขเนี่ยมันยากนะมันมีแต่ จ, จะเพลินไป เรียนจากทุกเนี่ยนะอาการปวดอาการเมื่อยอากาศพร้อมนะเราสังเกต ด, ดนะูความทุก์ที่เกิดขึ้นจากกายเนี่ยมันส่งผลให้ทุกใจได้ไหมถ้าทุกที่กายแะ่ใจไม่ทุกเออเนี่ยเรื่องเวลาฝึกได้เราใช้ได้นะแต่ถ้าทุกกายแล้วไปส่งผลใจไม่ไหวละร้อนเราไม่อยากจะอยู่เราต้องไปหาพัดลมเป่าเราต้องไปอยู่ในห้องแอร์ อันนี้แสดงว่าหลบงานไม่ได้เรียนรู้ความจริงไม atheist, ่ได้เรียนรู้ทุก็จะไม่เห็นสัจธรรมเพราะฉะนั um ้นคนที e ่อยู่ในเมืองน่ยและพยายานที่จะหลบเลีกสิ่งแวดล้อมด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตเขาก็จะอาศัยสิ่งแวดล้อมเนี่ยกดกลื่อนความจริงไปก็ทําให้ไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องนี้และถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเป็นคนที่ ไม่เข้าใจความจริงแล้วก็ความอดทนก็จะไม่มีเพราะนั้นการมาฝึกที่นี่เนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเรียนนั่คือความอดทนนะซึ่งตรงนี้ในโอวัตปาติโมก็พูดถึงว่าขันติปรมังตโปติติขาขันตินะฮเป็นตะบะนะที่จะเผากิเลสอย่างยิ่งเพราะนั้นการเรียนธรรมะเนี่ยต้องเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช่โดยจินตนาการไม่อไปคิดเอาหรือะปจดจำเอาจากตำรับตําลามาที่นี่เนี่ยความรู้ทั้งหมดที่มีทิ้งให้หมดเลยนะที่เราไปจดจำในตําลาทิ้งให้หมดเลยให้มันเป็นปมำนาจที่มันแสดงขุดขึ้นมาเห็นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าทั้งที่เราพอใจหรือไม่พอใจนะเพียงแต่ว่าเมื่อมันเกิดความพอใจไม่พอใจเนะี่ยให้เรากลับมารู้สึกตัวให้ด้วยบ่อยๆนะคืออย่าไปจมกับมัน แต่ไปเจมม า, าความพอใจไม่พอใจกับมารู้สึกตัวเนี่ยมันจะทาําให้เกิดความบันปกติเรียกว่าถองความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ซึ่งตรงนี้ในในในบทอนบทสวดสาธยายมันก็มีอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจริญสติกับการเคลื่อนไหวที่กายเนี่ยจากกายมันก็จะไปเห็นเวทนาเวทนาคือความรู้สึกพอใจไม่พอใจความรู้สึกสุขทุกข ความรู้สึกปกติเฉยๆอาเส้นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นเป็นนามธรรมาจากรูปธรรมคือกายเนี่ยมันก็จะไปเห็นนามธรรมาสิ่งที่ไม่มีตัวตนก็คือเวทนาเวทนานี่ไม่ใช่แปลว่าหน้าสงสารนะแต่เป็นเป็นความพอใจไม่พอใจนั่นเองภาษานังกฤษเรียกว่าฟ e e l i n g นั่นเอ ง, เงแต่เป็นคำว่าคนไทยเรามาใช้กันว่าหน้าสงสารอาเส้นบาหลีไม่หมายถึงความรู้สึก พอใจไม่พอใจสุขทุกข์เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นะซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันจ ะ, สะแสดงปรากฏยังขนาที่เรานั่งอยู่นั่งฟังตอนเนี้ยให้สังเกต ด, ดูนะนะว่าใจเราเป็นยังไงเฉยเฉหรือว่าพอใจไม่พอใจกับเสียงที่ได้ยินหรือกับอากาศที่มันร้อนหรือมันเย็นอย่าให้สังเกตตรงเนี้ยการเรียนรู้ธรรมะไงน ะ, นะเรียนรู้ด้วยตลอดเวลาเด้ โนะดยอาศัยสิ่งที่เป็นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการศึกษาจากตายไปสู่เวทนาจากเวทนานะมันมาเจนลึกลงไป ก, ก็คือความคิดนะซึ่งเป็นาการของจิตในะภาษาบาลีก็เรียกว่าจิตตามุปัสสนาสติปทานความคิดเนี่ยมันมีสารพัดมากมายเลยนะถ้าเราสังเกต ด, ดูให้ดีแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราไม่ต้องไปตามมันนะ มีตำลับตำราบางเล่มหรือหนังสือบางเล่มเนี่ยหรือบางทีเราไปเรียนมาเนี่ยสมัยก่อนตำาไปอ่านหนังสือเนี่ยเขาบอกให้เฝ้าดูความคิดนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงซึ่งในตรงเนี้สมัยตอนเราฝึกใหม่ๆก็ทําอย่างนี้เหมือนมันคิดขึ้นมาตามโดยมันคิดเรื่องที่1รื่องที่สองรื่อที่สามแล้วมันดับไปยังไงตอนนี้ก็คือเราพัดหลงไปในความคิดแล้ว เอซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราดูบ่อยๆมันจะมึนหัวนะแล้วมันก็จะความรู้สึกตัวมันจะไม่ชัดวิธีการที่มาเจอหลวงพ่อเทียนน่ยหลวงพ่อเทียนบอกว่ามันคิดกันมาทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวไม่ต้องไปตามดูไม่ต้องไปเฝ้าดูมันนะทิ้งไปเลยคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาทิ้งไปเลยไม่ต้องมาตามไม่ต้องไปวิเคราะห์ไม่ต้องไปแยกแยะมันคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องราคะเรื่องโทสะเรื่องโมหะ อันนี่มันเกิดจากอะไรไม่ต้องมีวิเคราะห์เลยเพราะการวิเคราะห์มันคือคิดสอนคิดขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้การปฏิบัติของเราเนิ่นชา้าเราหยมไปในความคิดละ่ะและมีการที่รัดสั้นที่สุดคือทิ้งเละกลับมารู้สึกตัวกลับมาที่กายเครื่องไหวเพราะฉะนั้นการจเจริญสติโดวยวิธีนี้เราจะไม่นั่งิ่งนนะเราจะไม่อยู่เฉยเฉยเราขยันที่จะเคลื่อนไหว จะเดินก็ตามจะยกมือก็ตามหรือบางทีเดินมันเมื่อยเราก็ยืนก็ได้ยืนสร้างจังหวะก็ได้หรือ ย, ยืนสอยเท้าก็ได้เราจะนั่งนิ่งๆเราจะมนั่งห ล, ลับตาสงบนิ่งๆเพราะกานสงบนิ่งๆเนี่ยมันเหมือนเป็นการกดกดความคิดกดอารมณ์เอาไว้ไม่แสดงตัวออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่มีกําลังมากๆหรือมีกําลังจิตมากๆสามารถกดไว้ได้ ก็มีความสุขอยู่ในระดับหนึ่งขณะที่นั่งแต่พอลืมตาขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ความคิดมันก็จะผุดขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนนะมาปฏิบัติทำแล้วกลับไปก็ยังโกรธอีกดีไม่ดีโกรธมากกว่าเดิมเพราะว่าไปโกดมันเอาไว้เนี่ยแต่การที่เรามาตระเลยสตินี้มันจะเกิดอะไรขึ้นความคิดอารมณ์อะไรขึ้นมาให้มันผุดขึ้นมาเลยให้มันแสดงตัวออกมาเราจะได้รู้มัน เราจะได้เรียนรู้มันปัญญามันจะเกิดจากนี้ปัญญาพุทธะนี้ไม่ได้เกิดจากการคิดคํานวณนะเกิดจากการที่เราเห็นความคิดอารมณ์ต่างๆมันพูดพุ่งขึ้นมามันแสดงตัวของมันเห็นฤิธเดชของมันที่มันครอบงามใจเราแล้วมันก็จะผ่านไปนะมันไม่ได้อยู่ตลอดหรอกเราก็จะเห็นนาการของมันซึ่งตรงนี้มันจะเกิดปัญญาแล้วมันจะเกิดการไปวางเองเราไม่ต้องบอกว่าโอไปวางนะทําจิตว่างนะ มันทำไม่ได้หรอกไอ้มันคิดคิดทำแต่การปล่อยวางนี้มันจะต้องเกิดจากการที่เราเข้าไปเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นความคิดอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะแล้เราก็เลื่นเลืมันเราก็จะเห็นโอ้ยไอ้นี่ไปยึดมันมากมันก็หนักมันก็ต้องปล่อยต้องวางนะไอ้นี่ไปยึดถือมันนะก็หนักขึ้นมาเอ๊ะมันจะมีอาการที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดการปล่อยวางเองโดยธรรมชาติตัวความรู้สึกตัวเนี่ย จะเป็นตัวที่ช่วยปรับสมดุลาทําให้ใจที่มันพัดหลงนะไปกับความคิดไปกับอารมณ์เนี่ยมันกลับคืนสู่ความเป็นปกติได้บ่อยๆแร็กๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดหลักนะมันมันมันจะเห็นทีละนิดทีละหน่อยไม่เป็นไรเรียกว่าปรับผิวปรับหายเล็กๆน้อยๆแต่ทำบ่อยๆย้ําแล้วย้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเดียงนั่นแหละนัน ม, มันก็จะเห็นความละเอียดอ่อนความลึกซึ้ง ของความคิดของอารมณ์ที่มันละเอียดขึ้นคนฝึกใหม่ๆเนี่ยจะเจออมที่มันไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่เช่นอะไรบ้างเรื่องเบือ่อฝุ่นซ่านหงุดหงิดเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันจะผุดขึ้นมาให้เราให้เราได้เรียนรู้ก่อนทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้นะคนที่มาแล้วไม่มีกัลยาณมิตรเนี่ยมาวันแรกนะนะ ไม่ไหวกลับเลยอยไม่ได้เบือ่อทำอะไรซ้ำซ้ำซาซากหน้าเบือ่อแล้วส่วนใหญ่เนะี่ยคนที่มาปฏิบัติโดยที่ไม่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีกลายานามิตรเนี่ยเห็นมาหลายรายแล้วทำนิดนี้หน่อยน่ก็มีละวมไหวแล้วเพราะไปไปตั้งไปตั้งจินตนาการว่ามาปฏิบัติทำมันต้องสงบนิ่งเงียบไม่ชุดอะไรสบายเย็น อาการเหล่านั้นมันจะต้องเกิดขึ้นจากการที่เราต้องผ่านอารมณ์ที่มันหยาบๆก่อนอันนั้นมันอารมณ์ละเอียดจะมาถึงปุ๊บเอาขั้นสุดท้ายเลยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องผ่านอารมณ์พวกนี้เพราะฉะนั้นความเรื่องก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีความหงุดหงิดความเบื่อก็ดีอั น, นั้นมันเขาเรียกว่าวิสัยเก่าของเราตั้งแต่เล็กมาแล้วจนโตขนาดนี้เนี่ยมันแสดงตัวให้เราเห็นเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นมันบ่อยๆมันก็เป็นการชำระล้ า, ลาง วิสัยสันดานเก่าๆสิ่งที่มันสะสมอยู่ในใจออกไปแล้วก็บรรการชำระล้างสิ่งที่เป็นมลทิในในใจเนี่ยออกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็เคยเลยพูดว่ายิ่งคิดยิ่งดียิ่งคิดยิ่งรู้เราไม่ห้ามความคิดแต่ไม่ตามมันให้มันพุดขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านพุดขึ้นมาแล้วผ่านเหมือ น, น, นสายน้ําำสายน้ําที่ไหลผ่านไปแต่ก่อนเราไม่รู้เนี่ยเราก็เจอไปงนี้น้ำ ไปเจนไปในกระแสอารมณ์กระแสความคิดเพราะฉะนั้นเราชีวิตของเราก็ละหกะเหนินเหมือนกับอยู่ในในในมน้ำนะ น, น่ะาเดินคลื่นซัดไปซัดมาเดือดไปฝั่งซ้ายฝั่งขวามานะดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจเนี่ยชีวิตของเรามันละหกละเหนินแต่เมื่อความรู้สึกตัวชัดน่ยเหมือนกับเราขึ้นมาอยู่บนฝั่งมองกระแสอารมณ์มองกระแ ส, ะแสความคิดมันไหลผ่านไปผ่านไป นะซึ่งตรงนี้เนะ่ยมันจะทำให้เกิดปัญญาแล้วเกิดการปล่อยวางเองนะซึ่งก็จะไปเติมมาที่หลวงพว่อเขียนใช้คำว่าเป็นผู้ดูแต่ไม่เป็นผู้เป็นนะซึ่งตรงนี้นะ่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเองนะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมันจะจดจไปนะทิ้งนี้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าตรงนี้เป็นพียงแต่ชี้แผนที่หรือว่าทางเดินที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นึองเพียงแค่เรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวเนะี่ย มันจะเข้าไปเรียนรู้อะไรมากมายเลยที่เกิดขึ้นภายในตัวเราธรรมะนิสสัจธรรมความจริงนะนะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกเมื่อเชื่อวันนั่นแหละเพียงแต่เราไม่ได้มาใส่ใจไม่ได้มาสนใจไม่เคยกลับมาดูเพราะว่าเราไปสนใจเรื่องข้างนอกเราใช้ตานี้เนี่ยเรยนรู้โลกข้างนอกแต่เราไม่ได้ใช้ความรู้สึกตัวหรือตาใจเนี่ยเข้ามาดูข้างในเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยกิจหรือภาร ก, กิจ ที่สำคัญที่เราจะต้องทำก็คือการใช้ความรู้สึกถูกกลับมาดูที่กายที่ใจของเราเมื่อกายใจของเราไปสัมผัสกับสิ่งแวดแล้อมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเราเข้าไปยึดไปถือเราเข้าไปจมอยู่กับอารมณ์กับความคิดหรือเปล่าจมแล้วมันสุขมันทุกข์ยังไงหรือมันปกติยังไงนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ เพราะเราทำเพียงแค่อย่างเดียวจะเรียนเตืเนี่ยทําแค่อย่างเดียวคือกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกขยันขยันที่จะรู้ตรงนี้อย่างอื่นเนี่ยเป็นเรื่องรองงานหรือกิจาการอย่างนี้นเป็นเรื่องรองอันนี้เป็นภารกิจเรื่องบวนงานที่มาอยู่วัดป่าสกโตถ้าเราไม่ได้ทําเรื่องนี้เนี่ยถือว่าไม่ถึงวัดป่าสกุโตจริงๆ อันนี้ในความคิดของตรรมาเองนะแต่คนอื่นอนจจะอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้เพรา ะ, ะนั้นภา ร, รกิจสําคัญก็คือการที่เรามาเจริญสติเมื่อรู้สึกที่กายรู้สึกที่เวทนารู้สึกที่จิตนะมันก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือไปรู้ที่ธรรมเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสีน่ขอนึงว่ากายเวทนาจิตธรรมธรรมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะทั้งกายทั้งใจของเราเนี่ยนะแล้วก็มีทั้งสิ่งที่เป็น กุศลอกุศลก็คือสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือไม่ไม่ใช่สิ่งที่คุณงามความดีมาดูว่ า, อ ย, วาอย่างนิวรันอย่างเงี้ยนิวรันก็คือไอความฟุ้งซ่านความเบื่อหน่ายพวกเนี้ยมันจะแสดงออกมาหรือบางทีบางคนนาไปทำไมถ้าทะลุผ่านนิรันได้นนะมันจะมีความรู้สึกซับซ า, านเบาขึ้นมาเรียกปิตินะมันจะเกิดขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เป้าหมายนะเป็นอารมณ์ที่จะเกิดแล้วก็ผ่านแต่เราจะไปหามันนะ มันเกิดขึ้นเองเพียงแต่เราสร้างเหตุก็คือมาเจริญสติแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเองผลมันจะเป็นยังไงก็จะไปหวังมันอีกเหมือนกันนะการเรียนรู้ธรรมะการเจริญสตินี่จากการปล่อยการวางเท่านั้นแหละถ้าเราไปหวังเราไปคิดเราไปเกงเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยปัญหาละมันอยากละมันจะมากั้นละมีบางคนเก่าๆที่มาฝึกเนี่ยนะ ทำแล้วรู้สึกมันเบาเมื่อเช้าเบ า, เบาสบายเลยแต่ตอนบ่ายหายไปแล้วก็หามันอยากจะได้อีกเครียดมากเลยนะแตนน่มันไม่เจอนันแะ่ะเราไปพยายามเราไปใช้ความคิดเกินไปเพราะนั้นธรรมาชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ด้วยธรรมาชาติมันไม่สามารถจะเรียนรู้ด้วยความคิดเครื่องมือที่เป็นธรรมาชาติมากที่สุดคือความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ได้มาตั้งแต่เราเกิด สมัยเด็กๆ เ, เราเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยความรู้สึกัวจับนื่นจับนีสังเกตเด็กๆเอะเขาใช้ความรู้สึกมากกว่าความคิดแต่พอเราโตขึ้นเราใช้ความคิดมากกว่าความรู้สึกตัวเพราะเรามาที่นี่เนี่ยอย่าไปให้ค่าให้ความสำคัญกับความคิดเลยนะกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวแล้วไม่ต้องกลัวนะบางคนกลัวไอ้เดี๋ยวกลับไปแล้วคิดไม่เป็นไม่ต้องกลัวเลยมันจะจัดระเบียบความคิด มันจะรู้ว่าอันนี้ควรคิดอันนี้ไม่ควรคิดถึงเวลานอนก็ปิดชีวิตนอนเลยไม่ต้องไปคิดแต่ก่อนเราทําไม่ได้แต่ต่อไปนี้เราจะมีเครื่องมือสําคัญคือความรู้สึกตัวนจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะจัดระเบียบความคิดควบคุมอารมณ์เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกสติแล้วพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปจากคนใจร้อนจะเป็นคนใจเย็นจากคนเลอเลอหลอกหลักจะเป็นคนหนักแน่นมาเป็นคนมีเหตุมีผล รู้กาลเทศะควรอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแล้วจะทำให้การทํางานนี้ประสิทธิภาพมากขึ้นชีวิตก็จะมีความสุขงานก็สําเร็จชีวิตครอบครัวก็จะดีขึ้นไม่ถึงความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัวเนี่ยจะดีขึ้นแต่คนอื่นอาจจะไม่ดีนะแต่ตัวเราเนี่ยเ ร, เราจะเราจะตัวการปล่อยวางได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ จะไม่ทำอะไรด้วยอารมณ์ด้วยความหมุนนันแะล่นแต่จะทําด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ใช้สติปัญญานะซึ่งสิ่งนี้อาตมาคิดว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นในยุค ป, ปัจจุบันโดวยเฉพาะในยุคที่มีความเข้าใจผิดกันมากมายแล้วมีการแบ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นสีต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเพราะความคิดทางลบดิความรู้สึกตัวไม่ค่อยมี นะสังคมที่เกิดแตกแยกที่เกิดการทะเลาะเบาแวงกันก็เพราะว่าขาดความรู้สึกตัวนั่นเองประนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอนุนโมทนากับพวกเรานะที่ได้มา เ, เรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยให้ใช้เวลาที่อยู่วัดป่าสุกโตนกับเรื่องนี้ให้เต็มที่อย่าไปท้อแท้กับความเบื่อกับความทุ่งซ่านอันนี้เป็น เปรียบเทียบเหมือนพญามารน่ะตอนที่จะใช้ถ้าจะออกบวชเนี่ยพญามารมาห้ามบอกจะไปเลยอยู่ไม่วังเลยสบายนะออกไปลําบากนะนะเราเราจะปฏิบัติทำเนี่ยเราพยายามที่จะรู้สึกตัวเนี่ยไอ้ความเรื่องความเบื่อมันจะชวนบอกจะไปทำเลยกลับไปนอนดีกว่าลาบากจะตายไปทํามันไหนเรากนะอยู่ที่บ้นานก็นอนสบายตรงเนี้ต้างไม่เชื่อพญามาร แต่พยายามาที่จะมากั้นให้เราไม่ทําความดีเพราะฉะนั้นอันนี้นเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้แม้แต่เราทําได้เนี่ยมันจะขึ้นแข็งขึ้นมานะมันจะมีกําลังใจขึ้นมามันจะมีสติขึ้นมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่อย่าเพิ่งเชื่อไปพิสูจน์ด้วยการกระทํำการฝึกตเตือนสติด้วยการเคลื่อนไหวใครที่เคยฝึกวิธีไหนมาเนี่ยก็ไม่ผิดนะไม่ว่าไม่ห้ามแต่วางไว้ก่อนเนาะ วางไว้ก่อนแล้วลองมาดูถ้าเจบวันนี้ไม่ดีก็กลับไปทําอย่างเดิมนะแต่ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์และสามารถจเอาไปใช้ได้ก็ไปทําต่อนี่คือการฝึกสติในรูปแบบนอกจากในรูปแบบแล้วในกิจวัตรประจําวันก็อย่าลืมเดี๋เสร็จจากนี่เนี่ยกลับไปที่พักเนี่ยเราเดินกลับไปด้วยความรู้สึกตัวอย่าไปเดินไปคุยไป เดินกะั น, นไปคุยกันไปเนี่ยห ล, ลุดละแล้วถ้ามาอยู่ที่นี่อยากจะเสมอหน้าอย่างหนึ่งว่าให้ปลีกไม่เลิเลยปลีกไม่เลิคื อ, อยังไงปิดปากเงียบพูดให้น้อยคุยให้น้อยเสียงเบาๆมีสติอยู่ทุกเมื่อขณะที่เดินกลับไปปิดห้องท่าน้ําสังเกตนะคนมีสติก็จะทําอะไรเงียบ ไม่ปุง ป, งปังปังนะอย่างเรืงน้ำเนี่ยเรสังเกตได้เลยครมีสติไม่มีสติอโอ้โหมันปวดมากอะเริ่มไปปุ่งปังปุงปังเลยไ ม, ไม่มีสติละเดินอ่าอาการของกายมันบังคับเพราะฉะนั้นนอกจากในรูปแบบแล้วเมื่อเราเลิกจากรูปแบบแล้วก็พยายามเจตนาที่จะรู้สึกตัวในการเดินในการนอนในในการลุกขึ้นมาในการล้างหน้าล้างตาแปลงฟันมาด้วยความรู้สึกตัว ในการสวดงินสังเกนนะตเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรามีสตินะีมันจะไม่แวบออกไปยื่นยนะมันจะอยู่ตรงนี้อิแบตบ์วนมลแวบไปแล้วก็กลับมาได้เร็วน ะ, ะนี้ก็ฝึกกับสิ่งที่ทําอยู่การกินน ะ, ะการตักอาหารให้มีความรู้สึกตัวการตักอาหารเราสังเกตได้เลยคนมีสติและไม่มีสติเนี่ยคนมีสติเนี่ยเขาจะเงียบๆ เ, เ, เบาๆหยิกร ะ, ระมังหยิบช้อนเบาๆ แต่คนไม่มีสติปุ้งเป้งเป็นป้งเเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายมาที่สาราหน้าเราจะเห็นเลยใครมีสติใครไม่มีสติมาสาหรับตัวเราตรงนี้คืออย่างนั้นมาดูที่ตัวเราว่าเฮ้ยเราไม่มีสติแล้วเนียเราต้องระวังหน่อยกินข้าวเหมือนกันถ้ากินไม่มีสตินะนะบางทีกัดลิ้นตัวเองอ่ะเคยไหมบางทีก็ก้างติดคอหรืออนี่ยเนี่ยไม่มีสติบางทีกัดลิ้นตัวเองกัดลิ้นที่ปากตัวเองมันลีดเคี้ยวไง อันนี้ก็เป็นการที่กินไม่มีสตินะตรงนี้ก็ต้องฝึกปุ๋เหมือนกันกับการกินการดื่มน้ําการเข้าออน้ำการขับถ่ายการนึ่งห่มนะอันเนี้เราสามารถใช้ได้หมดเลยแต่ใหม่ใเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะแต่ก็พยานะยามนะพยายามที่จะทำสมัยที่อาจนนารย์ใบสานไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนถามว่าจะฝึกตั้งแต่กี่โมงถึงกีง่โมงอาจนนารย์ใบสานคิดว่า8ปดโมงถึงสี่โมงเย็นเหมือน เราชาการปุรพิธีนบอกต้องจะตื่นยันหลับคำว่าตื่นยันหลับนี่ก็คือทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบเราสร้างจังหวะเดินจงกลมนห้ในรูปแบบทําให้มันมากพอเราออกจากตรงนี้เรากลับไปที่พักเราไปอาบน้ำอาบน้ําด้วยความรู้สึกตัวแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวอ่กินข้าวด้วยความรู้สึกตัวทาอะไรด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็คือยังไงหมายถึงว่ามีเจตนาที่จะรู้สึกกับสิ่งที่ทําอยู่ขณะนั้น เช่นแปลงฟันก็แปลงไปมันอยาจะมีความคิดแวบขึ้นมาก็กลับมาตรงนี้นะกินข้าวเหมือนกันขณะที่เราเคีย้ยวเราลิ้มรสต่างๆเนะีนะ่ยมาจะคิดแวบไปว่าอาหารเนื้อร่อยแม่พอใจอาหารนี้ไม่อร่อยไม่พอใจเอะต้องดูตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะฝึกได้เพราะฉะนั้นนี้ฝึกทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบตรงนี้มันจะตรงกับที่หลวงพ่อเตียนบอกว่าต้องแต่ตื่นยันหลับถ้าทําตรงนี้ได้ต่อนเนื่องเนะี่ย ลองดูนะพัฒนาการจะเกิดอะไรขึ้นภายในเจวันเนี่ยเราลองมาพิสูจน์ดูนะซึ่งตัวหลงพง่ทีเองท่านก็เคยพูดไว้ว่าถ้าจเจริญสติอย่างต่อนเนื่องนนะภายในหนึ่งวันถึง90สวันอย่างกลางภายใน1ปีอย่างงานที่สุดสาปีความทุกข์จะลดลงนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านพูดท้าทายเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ท่มีมีชีวิตพระเจ้างพเบชนะ าผู้เจริญสติปัญญานอย่างต่อเนื่องอย่างเรวตั้งแต่เจ็ดวั น, นอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างนานเจ็ดปีความทุกข์จะลดลงหรือบางทีท่านผู้บอกเป็นผ้อาอารันเป็นผ้านาคามีเราไม่ต้องเป็นผ้อาอารันก็ได้ความทุกข์มันหมดไปหรือว่าความทุกข์มันลดลงก็เอาแล้วนี่เป็นสิ่งที่น่าทํำไหมหน่าพิสูจน์น่าทดลองไหมก็ให้เราลองพิจารณากันดู ในการที่เรามาใช้ชีวิตที่วัดป่าสกุโตที่จะมาฝึกเรื่องนี้ที่จะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ถ้าเราทำสิ่งนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะติดตัวเราไปเลยนะกลับไปที่บ้านกลับไปที่ทำงานนะแต่มันมันอาจจะเป็นจุดเิ่มต้นนะมันไม่จะติดตัวไปตลอดหรอกมันจะต้องฝึกต่อเนื่องไปนะตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยนะในในใน ในความคิดของอาตมาหรือในประสบการณ์ที่ตัวเองพบมาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เหลววิสัยและเป็นสิ่งที่ทําได้มาเพียงแต่ว่าเราจะทําหรือเปล่าเท่านั้นเองและเราจะทุ่มเทให้เวลากับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองมาเป็นเรื่องที่น่าพิสูจน์เนาะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะแล้วก็ คงจะมาสรุปตรงที่ว่าการจเจริญสติเนี่ยในเบื้องต้นให้รู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวสูตรสูตรนี้ซึ่งอาจารย์ยังสิ้นนันใช้มั้ย น, นะสำหรับกลุ่มปฏิบัติใจมีสติอยู่กับกายแค่นี้นสูตรสั้นๆเนี่ยแต่ทำซ้ำําๆไปซ้ําไปซ้ํามาซ้าบ่อยๆเนะวลาไม่เจนอะไรเกิดขึ้นมากมายนะก็ลองดนะูเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ แล้วก็เป็นสูตรสําเร็จติดใจเดียวที่หลวงพ่อเทียนนุ่นพูดเอาไว้แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ได้พูดมาคงจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราโดยบ้างนสิ่งใดก็ตามที่อาจจะฟังแล้วไม่รู้เรื่องก็ทิ้งไปก่อนยังไม่ต้องไปสนใจมันปฏิบัติไปแล้วก็เทนไปแล้วก็ดูไปนเรียนรู้ด้วยตัวเราเองนหลวงพ่อคำเขียนใช้กันว่าครูที่แท้จริงก็คือกายใจของเรา เดินรู้ที่กายที่ใจของเรานั่นแหละพระเตยบิดกที่แท้จริงอยู่ที่กายที่ใจของเรานะไม่ต้องไปอ่านหนังสือละมาที่นี่นะไม่ต้องมาอ่านหนังสือเลยอ่านตายอันใจตรงนี้เลยตัง้ตงใจไปไม่ต้องไปเสียเวลานะทิ้งเลยหนังสือความรู้ทั้งหลายที่หมาที่นี้หมดเลยเรามาเรียนรู้เรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าตรงนี้มันจะเป็นธรรมะที่ติดตัวเราไปนะอะไรใน ท้ที่สุดนนะก็ขออุ้ญาตเอาคุณของพระสีรัตนตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะนะที่เกิดจากการฝึกฝนนะพระธรรมก็คือสัจธรรมความจริงนะที่แสดงที่ปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวนี่แหละ ดูมันลงไปนะแล้วก็ประสงค์ก็คือการประฤติปฏิบัติการที่เราฝึกฝนตัวเราเองจเจริญสติของเราอยู่อย่างต่อเนื่องนี่แหละนะแล้วก็อาศัยความอดทนอาศัยความเพียรพยายามความตั้งใจนะในการที่จะเรียนรู้กายใจของเรานะได้บ่อยๆนะอย่างไม่ลดละอย่างต่อเนื่องนะด้วย กา ร, ป, รปฏิบัติเช่นนี้นก็ขอให้เป็นผลเป็นพลวัตปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่า น, นาได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจนซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมแท้นที่มีอยู่แล้วในตัวของเร า, าซึ่งจะทําให้ทีวิทย์ของเราเป็นปกติสุขพ บ, บสันติสุขในใจและก็ช่วยกันสร้างสันคิภาพบรรกาศสังคมต่อไปจเจริญพร